และการที่จะต้องแสวงสิ่งอื่นที่มีคุณค่าสูงยิ่งขึ้นต่อไปด้วยเช่นในอนาถบินทิโกวาทสูตรมัจิมนิกายอุปริปานาฏท่านอนาถบินทิกะเศรษฐีเมื่อได้ทำการกิริยาแล้วก็เป็นเทพบุะบุชั้นดุสิตเข้าไปฟ้าพระพุทธเจ้ากราบทูลเป็นคาถาว่าการงานวิ ช, ชา ร, รมศีลและชีวิตอุดม สัตว์ทั้งหลายย่อมบริสุทธิ์ด้วยสิ่งที่กล่าวมานี้หาใช่ด้วยโคตรหรือทรัพไม่ในรัตตาลสูตรมัชมนิกายมัชมปัญ น, นาทท่านพระรัตตาละแสดงธรรมแก่พระเจ้าโกรพยะว่าข้าพระเจ้ามองเห็นคนทั้งหลายในโลกที่เป็นผู้มีทรัพ์ได้ทรัพ์สินแล้วไม่ให้ปัน่นเพราะความรุ่มหลงโลภทรัพเอาแต่สั่งสมไว และปรารถนากวามทั้งหลายยิ่งขึ้นไปราชาลุกรานมีชัยทั้งแผ่นดินครอบครองปัตภีจรสาครไม่อิ่มแค่ฝั่งสมุทรข้างนี้ยังปรารถนาฝั่งสมุทรข้างโน้อนอีกทั้งพระราชาและเหล่ามนุษย์ทั้งหลายอื่นเป็นอันมากยังไม่ทันสิ้นความทะเยอทะยานก็เข้าถึงความตายทั้งยังพร่องอยู่นั่นเองก็พากันละทิ้งร่างกายไป ความอิ่มด้วยการทั้งหลายย่อมไม่มีในโลกเลยญาติทั้งหลายพากันสยายผมร่ำให้ถึงผู้นั้นกล่าวรำพันว่าโอ้ที่รักของพวกเรามาจากลับไปเสียแล้วหนอแล้วเอาผ้าห่อห่มเขานำเอาไปขึ้นเชิงตะกอนจัดการเผาเขาถูกสับเปลอเอาหลาวทิ่มแทงไปไม่ไฟหมดไปมีแต่ผ้าผืนเดียวติดตัวละทิ้งทรัพสมบัติไป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 ก็หาไม่ปราตั้งหลายกล่าวชีวิตนี้ว่าน้อยนักไม่ยั่งยืนมีความแปรปรวนเป็นธรรมดาทั้งคนมีทั้งคนจนต่างก็กระทบผัดสะทั้งคนพานทั้งนักปราดก็ถูกกระทบเหมือนกันแต่คนพานเพราะความที่อ่อนปัญญาย่อมนอนเพระหวาหวาดส่วนผู้เป็นปราดถึงถูกผัดสะกระทบ ก็หาสถานใหม่เพราะฉะนั้นปัญญานั่นแหละจึงประเสริฐกว่าทรัพย์ด้วยเป็นเหตุให้บรรลุจุดหมายสูงสุดได้ในโลกนี้